ถูกกับจริตแม้เป็นเพียงธรรมะบทสั้นๆแต่สามารถนำมาแก้ไขจิตใจคือชำระกิเลสได้ก็ให้ถือเอาธรรมะบทนั้นพระยานาสิทธิจาร์หลวงปู่สิมพุทธาจารย์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 แล้วก็เจตนาจะรู้สึกตัวลงไปคำว่าเจตนาเนี่ยก็คือความเพียรเราต้องเจตนาสร้างขึ้นมาสักก่อนจะให้สติเขาเกิดขึ้นมาลอยๆเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเพราะชีวิตของเราเนี่ยไม่ค่อยทำอะไรให้เกิดสติมักจะหลงลืมสติเป็นพื้นฐานธรรมดาของชีวิตเราจะไปจะต้องสร้างขึ้นมาก่อนสร้างตัวรู้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 ให้รู้เบาๆวิธีการเคลื่อนไหวของกายสังเกตดูความคิดเรามีความคิดอะไรไหมถ้ามันไม่คิดก็ดีแล้วเราก็คงจะรู้ทีธการเคลื่อนไหวของกายต่อไปเรื่อยๆบางครั้งมันก็ย่อมมีความคิดเปเรื่องธรรมดาเราห้ามไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่เรามีปัจจุบันอยู่กับการเจตรารู้ลงไปที่การเคลื่อนไหวของกาย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 ภพชาติต่างๆเนี่ยมันเกิดจากความคิดในปัจจุบันเนี่ยเมื่อเราคิดดีก็เป็นภพชาติที่ดีเมื่อคิดไม่ดีเนี่ยอเ น, นี้ยภพชาติไม่ดีเกิดขึ้นในจิตใจเราแล้วแล้วต่อไปข้างหน้าเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามที่เราคิดเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบดีว่าคิดดีเป็นภพชาติที่ดีคิดไม่ดีเป็นภพชาติที่ไม่ดีขอให้เราเจตนาคิด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 สิ่งที่เห็นได้ชัดในความคิดก็คืออะไรก็คือความคิดที่เกี่ยวกับเรื่องความอึดอัดคัดเคืองคุณเคืองใจท่านฟังมีไหมความคุนเคืองใจจาเรื่องอะไรก็ตามจากบุคคลรอบข้างก็ตามมักจะทำให้เราต้องคุณเคืองใจอยู่เสมอๆไอ้ความคุนเคืองใจเนี่ยมันคือความคิดชนิดหนึ่งที่นําพาจิตใจเราเนี่ย ลงสู่อบายภูมิคืนรกภูมิให้เรารู้ให้ทันในความคิดที่มันไม่พอใจเนี่ยเราก็เอาชนะให้ได้เราสะสมเรื่องความไม่พอใจไว้มากตั้งแต่อดีตชาติกระทั่งปัจจุบันชาติเขาก็ยมาส่งผลในปัจจุบันเราจะคุนเคืองใจไปนานขนาดไหนถ้าเราเอาชนะไม่ได้เนี่ยพบชาติต่อไปเนี่ย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 จิตเราเนี่ยชั่วคร้าเท่านั้นอยู่ได้ไม่นา น, นแขกพวกนี้เขาก็จะเอาเรื่องเก่าๆ เ, เพราะเขาหน้าเก่าๆ เ, เอาเรื่องเก่าๆมาหลอกลวงเราเนี่ยเราก็อย่าไปเชื่อขึ้นชื่อว่าแขกแล้วเนี่ยเขาจะอยู่ได้ไม่นาน แ, แขกเขาผ่านมาแล้วเขาก็ผ่านไปอย่าไปยึดมั่นถึงมัน่นกลับมารู้สึกตัวเข้าไว้เนี่ยจะปลอดภัยกว่าคอยเรา